วันนี้เป็นวันพระเดือนสิบสองเพนปี2549้าสตรงกับวันอาทิตย์ที่ห้าพฤศจิกายนเป็นวันรักษาศีลเป็นวันปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นวันอุโบสถของฝ่ายพระสงฆ์ด้วย สมัยในครั้งพุทธกาลชาวโลกของเขาถือว่าเป็นวันสดใสของวันสิ้นปีเหมือนกับวันปีใหม่อย่างนั้นนะพอหลักของพุทธศาสนายุคสมัยนั้นเขาถือกันว่าปีหนึ่งมีสามฤดูฤดูหนึ่งมีสี่เดือนเดือนสิบสองเพนแปลว่าสิ้นเขตฤดูฝน ตั้งแต่วันพุงนี้เป็นต้นไปเข้าเขตฤดูหนาวฤดูหนาวไปอีกสี่เดือนถึงเพนเดือนสี่เมื่อถึงเพนเดือนสี่แล้วเข้าเขตฤดูร้อนจากเพนเดือนสี่ไปถึงเดือนแปดเพนเมื่อถึงเดือนแปดเพนเป็นวันเข้าพรรษาจากนั้นก็เข้าเขตฤดูฝน จนมาถึงเดือนพฤศจิกายนอย่างที่ว่านะั้นเดือนสิบสองเพนเนี่ยแปลว่าสิ้นเขตแล้ดูฝนมันกว็วกวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละวันคืนเดือนปีชีวิตของพวกเรามันไม่วนเหมือนกับวันคืนเดือนปีนะเออมันไปหน้าเลยชีวิตของพวกเราแก่ไปเรื่อยถอยหลังไม่ได้ว่างั้นเถะมันไม่วนเหมือนวันคืนเดือนปี แต่ชีวิตของพวกเราเนี่ยมีแต่ก้าวไปเรื่อยๆอย่างหลวงพ่อปีนี้เมษาเนี่ย่หกสิบสองต่อไปกับนั่นก้าวไปหกสิบสามมันไม่วกวนเวียนเหมือนกับวันคืนเดือนปีมันไปเรื่อยๆเพราะนั้นชีวิตของพวกเราบ่งบอกถึงความชลาเมื่อชรลาแล้วกับเป็นยังไงปยาธิมรณะ พยาธิมันติดตามพวกเราอยู่ตลอดเวลาแต่โดยมากพวกเราจะมองไม่เห็นพยาธินั่นคืออะไรจนเจ็บปวดจริงๆยังเข้าใจว่าพยาธิแต่ตามไม่จริงพยาธิคำนี้เนะี่ยคือเวทนาเวทนาคือการสวยหาย ใ, ใจเข้าหาย ใ, ใจออกนี่ก็คือเวทนาและพยาธิเหมือนกัน การขยับไปขยับโน้นขยับนี่การขับถ่าย เ, เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพยาธิทั้งนั้น่ะคือเวทนาคือความเสวยอทุกทุกสุขกว่างั้นอ่ ะ, อะมีความสุขก็กินอิม่มนอนหลับสบายเท่านั้นแ่ะถ้านอนมากๆพลิกไปพลิกมาก็เจ็บคังหุ่นคังนี่ก็เป็นเวทนาเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกนี่แหละ ร่างกายของคนเราก็เป็นอย่างนี้ละแก่เจ็บถ้าจะว่าไปแล้วเวทนานคือความเจ็บปวดหรือว่าความสุขผสมประสานกันจากนั้นก็ถึงมรณะคือความตายแต่ความตายเนี่ยหาความสุขไม่ได้ะมีแต่ทุกข์ลูกเดียวใจจะขาดตะลีตะเหลือ ก, กระเสือกกระสน จากนั้นก็ดับขันไปเลยไม่ได้กลับมาบอกอีกไม่ได้กลับมาพูดให้ญาติพี่น้องฟังอีกว่าผู่ตอนใจขาดทุกข์จริงๆไม่มีใครกลับมาพูดได้พอใจขาดแ ล, ล้วก็ไปเลยหายเงียบจากนั้นญาติพี่น้องก็มีแต่ส่งขึ้นเชิงตะกรนส่งขึ้นเมนก็จบไปพบหนึ่งชาติหนึ่งไปเนี่ยชีวิตของคนเรา เป็นมาอย่างนี้เป็นไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านจะตั้งอยู่ในความประมาทให้เตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอการสั่งสมบุญถ้าพวกเราสั่งสมบุญไว้แล้วอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดขึ้นมาเพราะมันจะเกิดอย่างนั้นมันหลีกเลี่ยงนีไม่พ้นแล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด อะไรจะมีมันก็ต้องมีรับได้ทุกสถานะเพราะเราเตรียมพร้อมไว้แล้วแก้ไขไม่ได้แล้วแก้ไขเท่าที่จะแก้ไขได้ในเมื่อแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องยอมรับการเป็นไปนั้นๆั้นเท่านั้ น, น, นโลกทั้งโลกมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องประสบพ่อเห็นอย่างนี้ในอนาคต ต่อไปภายภาคหน้ามันก็จะจะเป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะโลกนี้เป็นโลกเกิดแก่เจ็บตายอันนิจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านที่มาพบมาเจอพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาธรรมะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนพวกเราอใอ้พวกเราสานึก ไว้อยู่เสมอให้ตั้งใจไว้อยู่เสมอเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในการเป็นอยู่ของพวกเราสรุปแล้วก็คือให้เตรียมพร้อมสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแต่พวกเราที่อยู่ศึกษาภายในเข้ามาแล้วหลวงพ่อเองอจะจะ พูดและแนะนําให้พวกเราท่านทั้งหลายเน้นหนักเรื่องจิตภาวนาเนี่แหละเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราแต่ส่วนอื่นเรื่องทานเรื่องศีลนั้นก็เป็นเรื่องยังนอกอยู่เรื่องทานเรื่องศีลก็เป็นเรื่องหน้าที่ของพวกเราเช่นเดียวกันอย่างที่หลวงพ่อได้อ่านเรื่อง คิดจะถวายสถานีวิทยุอย่างนี้นอันนี้คือคือทานทานะคือการเสียสละเราก็ไม่ได้ประมาทเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจการสะสมทั้งทานทาัน้งศีลแต่ว่าเรื่องจิตตภาวนาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญยิ่งกว่าทั้งสองอย่างนั้นพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องจิตตภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ถ้าเราศึกษาเข้าไปลึกๆแล้วเรื่องจิตภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่จะหนีจากโรควัตะสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัตะสงสารถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้แล้วมีแต่จะเดินออกจากวัตวลความเกิดแก่เจ็บตายแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ภาวนามีแต่ทานกับศีล ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งจากนั้นก็วกวนเวียนลงมาก็มาเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเกิดแก่เจ็บตายเสร็จแล้วทําบุญทําทานก็ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งในหชั้นจากนั้นก็ลงมาก็มาเกิดเกิดก็มาเกิดแก่เจ็บตายอีกถ้าบางทีบางชาติอาจจะลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะเข้ามาครอบงํา อาจจะหลุดจากสวรรค์ลงมาเป็นสัตว์ทิฏฐิฉานตกต่ำลงไปเรื่อยจนถึงตกนรกก็ได้ท่านไม่ได้รับประกันมาผู้ที่อยู่สวรรค์แล้วจะอยู่สวรรค์โดยตลอดท่านก็ไม่ได้รับรองอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านได้สวยพระชาติต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไวในพระไตรปิฎกพวกเราได้ศึกษาก็เห็น ว่าพระพุทธองค์เองขนาดเป็นพรโพธิสัตว์เบียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารก็ยังลุ่มลุ่มรอนรอนขึ้นสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็ตกนาลกมาเกิดเป็นสัตว์ที่ิฉานมาเกิดเป็นมนุษย์คนทุกคนจนก็มามากต่อมากมาแล้วอันนี้คือพระพุทธหรือว่าเป็นชาดกพระพุทธเจ้าสวยพระชาติในอดีตชาติอันนี้ก็คือ ท่านพูดเป็นแนวทางให้พวกเราได้สังเกตให้พวกเราได้ศึกษาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายขนาดพระพุทธองค์เป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็ยังได้เสวยหรือได้รับทุกข์ขนาดนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเป็นสาวกหรือสาวกะสาวกประวัติสาวกอ่าพวกเราเนี่ไม่รู้จะเดินต่ำขนาดไหนก็ไม่รู้ เพราะนั้นถ้าว่าพวกเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้ชาติต่อไปเราอาจจะลุ่มหลงก็ได้แต่ชาตินี้เมื่อเราได้พบได้เจอพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วก็ ข, ขอให้ตั้งใจใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลที่พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้ว เพราะพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นของจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นผู้ปฏิบัติยอมรู้จริงเห็นจริงตามแนวแถวที่ท่านสอนเอาไว้ไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้ร้อนนะไฟนะก็เป็นไฟจริงๆอันนี้ความสุขนะถ้าเดินตามอย่างนี้เป็นสุขน ะ, ะก็สุขได้จริงๆอย่างพระพุทธเจ้าพูดเรื่องศินห้าใช่ไหมพวกเรานํามาคิดนํามาวิเคราะห์ดูแล้ว มีคุณค่าต่อชุมชนสังคมต่อโลกอย่างมากอย่างศีลอย่างทานเนี่ยเหมือนกันทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้ทานการให้ทานเป็นการเสียสละเป็นการโยนทิ้งเนาะของที่เรารักแล้วไปให้คนอื่นเขาทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานแต่เรามาวิเคราะห์ดูแล้วเดือทําดูแล้วทดลองดูแล้วในการให้ทานของเราเรามีความสุข มีความสุขมีความสบายใจมีความเย็นใจขึ้นมาถ้าว่าพวกเราไม่มีการเสียสละเลยมีแต่เก็บอย่างเดียวความเก็บนั้นคิดว่าจะมีความสุขมันหาความสุขไม่ได้นะเก็บเข้าไปเขาร้อนร้อนร้อ น, อนเข้าไปเรื่อยมีแต่ความโลภเข้ามาความโกรธเข้ามาความเสียดายเข้ามาแต่เราเสียสละรู้จักแบ่งปัน ใจของเราก็ร่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเราเขาก็ได้รับที่เราเสียสละเขาก็ดีอกดีใจ อ, อย่างหลวงพ่อเอาเข้าโพดให้หมูเอามันสาปะหลังให้หมูกินนะหมูเห็นแล้วมันก็ดีอกดีใจเหมือนกันนะไปเห็นแล้วอพอเอาเข้าไปให้เท่านั้นมันก็ดีใจมันได้รับทานะคือการเสียสละที่เราให้มันไปอันนี้ก็เหมือนกันนะ ที่เราเสียสละให้แก่ลูกแก่หลานแก่ญาติพี่น้องแก่บงสาคณาญาติต่อพระพุทธาศาสนาต่อโรงพยาบาลสาธารณประโยชน์อย่างนี้เมื่อเขาได้รับเขาก็สบายใจเรากู้ให้เราก็สบายใจเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราเดือดร้อนอย่าทำถ้าไม่เดือดร้อนเออทำํำเราเกิดมาในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอ น, นิทานะคือการเสียสละพระพุทธเจ้าก็สอน แต่สอนให้พวกเราเสียสละคือทานะศีระท่านก็สอนให้สัมรวมกายวาจาให้เรียบร้อยส่วนภาวนาพระพุทธเจ้าก็สอนให้แนวความคิดอย่างไรภาวนาอย่างไรกําหนดอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนอีกสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมวิธีการปฏิบัติกายพิจารณาอะไรกําหนดกาย กายญาณปัญนาสติปัฏฐานกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็กายอานาปานสติเนะี่ยกำหนดลมหายใจเข้าออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้ที่โคลนต้นโพนะ์พระพุทธเจ้ากำหนดลมหายใจเข้าออกนะวันนั้นนะให้เราศึกษาในพุทธประวัติดูนะเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก นวกายานุปจนนาสติปัฐานเวทนาสิ่งที่มากระทบหรือว่าสิ่งที่รับรู้ได้การเสวยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างที่เรานั่งไปนานเกิดเน็บขึ้นมาเกิดปวดหลังปวดแข้งปวดขาขึ้นมาอันนี้แปลว่าเวทนาเวทนามันมีอยู่สองนะเวทนากายหเวทนาใจนะเวทนาใจก็คือสิ่งที่เรา ได้กระทบสิ่งพอใจสิ่งที่ไม่พอใจแตสิ่งที่พอใจก็เป็นสุขก็คือสุขในใจถ้าสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ในใจแต่ส่วนกายนี่ก็เหมือนกันถ้าเรานพิกนั่งซะเออมันเย็นสบายเราก็มีความสุขสุ ข, ขเวทนาถ้ามันมีความทุกข์มันร้อนมันเจ็บมันปวดก็ว่าทุก ข, ข์เวทนามันมีทั้งสองอย่างคือกายกับใจเวทนา เบชนะนุปัสนาสติปัฏฐานจิตตาจิต ค, ความนึกคิดของใจใจคิดเรื่องอะไรคิดดีคิดชั่วนะเราก็รู้แก่ใจของเรามันปุ่งฟุ้งซ่านออกไปขณะนี้มันคิดเรื่องอะไรอันนี้ว่าจิตตานุปัชนาสติปัฏฐานธรรมานุปัชนาสติปัฏฐานก็คืออารมณ์ที่มากระทบใจใจคิด เรื่องอะไรเป็นส่วนดีเรียกว่ากุศลถ้าเป็นส่วนชั่วที่มากระทบใจเรียกว่าอากุศลมันมากระทบในจิตใจของเราอันนี้แปลว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่สามอย่างหลังนะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกับจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยโดยมากทางว่าผู้ไม่ปฏิบัติจิตใจยังไม่เป็นสมาธิ จะจับไม่ได้จะไม่ค่อยรู้รู้ก็จับไม่ได้แต่เวทานาหนุปัจนาสติปัฏฐานนี่พอจะรู้ได้เพราะมันเจ็บปวดตรงไหนพิจารณาอย่างไรเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงให้กำหนดกายานุปัจนาสติปัฏฐานเพราะมันเป็นของหยาก ถึงยังไงยังไงก็เห็นอยู่แล้วร่างกายการเคลื่อนไหวของกายกาหนดลมหายใจเข้าออกก็รู้เห็นอยู่ขนาดลมหายใจเข้าออกตัวเองก็ยังไม่เห็นยังไม่รู้แล้วจะไปจับเปรตนาหรือไปจับจิตตานุปัฏณาหรือจะไปจับธรรมานุปัฏณาก็ยิ่งไปใหญ่ก็ยิ่งมองไม่เห็นแต่ถ้าหากว่าเราเห็นกายของเราเรากาหนดกายของเรารู้แจ้ง จับสติจับอยู่ได้เห็นได้กายของเราถ้าเราเห็นกายของเราได้แล้วนั่นแหละเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าว่ากายของเรายังไม่เห็นเราจะไปเห็นเวทนาจะไปเห็นจิตเห็นธรรมนั้นมันยากเป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นได้เลยเพราะสิ่งเหล่านั้นมันละเอียดขนาดของหยาบก็ยังมองไปเห็นจะไปเห็นของละเอียดได้ยังไงเพราะนั้นให้พวกเรา กำหนดกายยานุปัสนาสติปัฐานนี่แหละพิจารณากา ย, ยกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วกับพิจารณากายเกษาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาพันตะโจหนังให้เห็นตามความเป็นจริงหนังมันเป็นยังไงหุ้มหัวร่างกายเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่า ให้เราเห็นในร่างกายของเราในช่องท้องของเรามันมีอะไรบ้างอ่ามันมีหัวใจมันมีตับมันมีปอดอ่าอยู่ในเนี้ยมีลำไส้ไงกองอยู่ในเนี่ยในลำไส้ในตัวของเราเนี่ยเพราะนั้นร่างกายของมนุษย์เนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อเราล้มหายตายจากไปขอเขาออกไปเผาไฟนั่นละ่ะอ่าอยู่ขึ้นกองไฟนะั่น่ะเราจะเห็นได้ ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าผู้ใดทั้งหมดนะ่าธาตุขันร่างกายเป็นอยู่อย่างนั้นผลที่สุดเผาออกมาแล้วยังเหลือแต่กระดูกเนื้อหนังมังสากรไฟไหม้หมดยังกระดูกที่มันแข็งเป็นกระท่อนกระแทน่นนี่แหละร่างกายของมนุษย์มันเป็นเพียงเท่านี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาร่างกายของเราเนี่ให้เห็นตามความเป็นจริงมันเป็นยังไง โดยมากมันไม่ยักจะเห็นน ะ, ะกิเลสตัวนี้มันชอบปิดบังไม่จักจะให้เห็นเอมันจะคิดทะเลสายออกไปทางอื่นไม่อยากจะพิจารณาอีกต่างหาทั้งที่มันรู้ทั้งที่มันอยู่กับร่างกายมาตั้งแต่วันเกิดตั้งแต่มันปฏิสนธิอยู่ในท้องแม่เอมันยึดร่างกายร่างนี้อยู่เอกระดูกกระเดกอยู่ในท้องแม่นั่นนะออกมาแล้วก็เนเี่เป็นร่างกายใหญ่โตขึ้นมาถึงขนาดนี้ แต่มันไม่อยากจะพิจารณามันถือว่าร่างกายนี่เป็นของมันจริงๆมันหลงถึงขนาดนั้นแต่ตามไม่จริงนู่นล่ะอีกสักวันหนึ่งร่างกายไม่ไปตามบัญชาของใจนั่นแหละมันเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ามันเจ็บนู่นปวดนี่นั่นล่ะท่นี่ใจดวงนี่แหละถือว่าร่างกายเป็นของตัวเองพอถึงจุดนั้นเข้ามาแล้วกวนกรไวยเออปุ่นไวยไปเลยกกระเสือกกระสนล่ะท่านนี่ออเสียอก เสียใจะทีแต่ตมามไม่จริงร่างกายอันนี้มันไม่ใช่ของใจใจไปยึดไปถือมันเฉยๆกายเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าเป็นของใจนะข้าพเจ้าจะเชื่อฟังทุกอย่างนะร่างกายมันก็มาได้่ามีแต่ใจของเราไปให้ความสาคัญว่าร่างกายเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสั่งหันซ้ายหันขวาได้ แต่ตามไม่จริงกระหันได้จริงๆเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันยังเคลื่อนไหวไปมาได้อยู่แต่อีกสักวันหนึ่งถึงจะใจสั่งขนาดไหนมันก็ทําไม่ได้เพราะร่างกายมันเสียหายลงไปแล้วเหมือนกับคนไข้นั่นแหะคนป่วยหนักนั่นแหะปกติร่างกายเป็นนํมามธรรมแต่สั่งเข้าไปมันก็ไปไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เหมือนกับรถนั่นแนหะถ้ารถ เออล้อมันติดซะอย่างเดียวถึงจะติดเครื่องถึงถึงถึงถึงถึงอยู่มันก็ไปไม่ได้เพราะทะมันล็อกนั้นเหรอเบรคมันล็อกเอาไว้มันไปไม่ได้อันนี้คงเหมือนกันร่างกายของมนุษย์ก็เหมือนกับรถนั่นแหละถึงคนจะขับรถจะดิบดีขนาดไหนเก่งขนาดไหนปีมือชั้นเยี่ยมขนาดไหนแต่รถของมันมันเสียมันก็ไปไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณาว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัว ตนของเราเนอะพยาจิตตลาดจะไปหลงในร่างกายจนเกินไปเนอะอีกสักวันหนึ่งร่างกายอันนี้จะต้องแตกสลายเนอะอันนี้คล้ายๆให้เตือนตนด้วยตนเองอยู่เสมอให้ซ้ํานึกไว้อยู่เสมอว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งใจของเราจะต้องหนีออกจากร่างนี่แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะเนี่ยพลอยนั้นพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านจึง สอนพวกเราท่านทั้งหลายอย่าให้มัวเมาติดลุ่มหลงอยู่ในกายของพวกเราจนเกินไปให้รู้เท่ารู้ทันไว้อยู่เสมออย่าลุ่มหลงอย่าให้ความสำคัญร่างกายนีจนเกินไปแต่ว่าการดูแลเลี้ยงอาหารการบริโภคหยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอันนั้นก็ต้องดูแลรักษา เป็นของธรรมดาแต่อย่าไปคิดว่าร่างกายนี่เป็นของเราจริงๆจะไม่แก่จะไม่เจเ็บจะไม่ตายจะไปคิดอย่างนั้นนะ่ะไม่ได้แต่โดยมากใจมันหลงนะพออยู่ด้วยไปก็หลงลืมละ่ะว่าตั้งกายเป็นของตัวเองแท้ๆ แ, แต่ที่แท้พิจารณานดูตามหลักธรรมแล้วมันไม่ใช่เพราะนั้นต้องเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยกำกับใจไว้อยู่เสมอใจอย่าลืมเนะ้ออย่าหลงเนะ้อ ร่างกายนี่ไม่ใช่ของเธอนะไม่ใช่ของแกนะอีกสักวันหนึ่งร่างกายนะี่จะต้องแตกนะไม่รู้ว่าวันไหนละ่ะให้ท่านเตรียมใจเอาไว้นะใจหนะ้าพยายามสอนใจไว้อยู่เสมอนะในเมื่อพิจารณาดูอย่างนี้แล้วเราก็เห็นใจของเราแล้วทีนี้เมื่อเห็นกายแล้วเมื่อสมาธิเราดีแล้วเป็นไปได้แล้ว เ, เมื่อเห็นกายแล้วก็ต้องเห็นใจแล้วทีนี้ เออย้อนเข้ามาหาดูใจของพวกเราใจของเราจะไปลุ่มหลงนะอย่าหลงมัวเมาในกายนะใจของเราจะเด่นชัดในความรู้สึกของเราเพราะมันไม่ยึดติดในร่างกายมันเห็นได้ชัดกายกับใจอาศัยกันอยู่กายก็คือกายใจก็คือใจเท่นีเพราะนั้นถึงจะมีร่างกายอาวอยัยวะทุกส่วนก็จริงอยู่แต่ดูแล้วมันไม่ใช่ของเรา เมื่อไม่ใช่ของเราจะเป็นของเราได้ยังไงไม่เมื่อร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วถึงจะเป็นของเราก็ไม่ใช่ของเราอใจมันก็ปล่อยวางปล่อยวางก็เหมือนกับว่างท่านี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่ยึดไม่ถือแล้วมันจะเป็นของเราได้ยังไงมันก็เป็นของว่างเปล่างั้นเถอะในเมื่อร่างกายยังเป็นของว่างเปล่าแล้วส่วนอื่นล่ะตึกรานบ้านช่องที่พักพาอาศัยเงินคําทรัพย์สมบัติ ก็เป็นของว่างอีกเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปขนาดร่างกายของเราเราก็จะทิ้งอยู่แล้วถึงจะไม่ทิ้งมันก็จะหนีจากเราอยู่แล้วถึงเราจะร้องโ h o ร้องไห้จากในร่างกายขนาดไหนร่างกายนี่ก็เป็นอื่นอยู่เสมอมันไม่ใช่ของเราเพราะนั้นเมื่อใจเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วนะมันจะปล่อยวาง มันจะรู้เท่ารู้ทานกายเมื่อรู้เท่ารู้ทานกายมันก็จะรู้เท่ารู้ทันวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับกายมันก็รู้ได้หมดทีว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยพินเครื่องอาศัยชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นจากนั้นเราก็จะต้องล้มหายตายจากหนีจากวัตถุเหล่านั้นไปเอาไปด้วยไปได้สักอย่าง ขนาดร่างกายยังเอาไปด้วยไม่ได้แล้วจะไปเอาสิ่งนั้นไปด้วยได้อย่างไรเนะพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นถึงจะเหมือนมีแต่เหมือนก็ไม่มีมันว่างทีนีนะ้ถึงจะมีเหมือนไม่มีเนะพราะมันเอาไปด้วยไม่ได้ไม่ใช่ของเราเพราะนั้นใจของเราจะไปยึดไปถือไปให้ความสําคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะอันนั้นคือธรรมะเขสอนใจแต่นีนะ่เมื่อสอนใจกับ สิ่งเหล่านั้นก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นภายนอกไม่ยึดมั่นร่างกายแล้วก็ไม่ยึดมั่นในความคิดของตนเองอีกทนี่ย้อนเข้ามาหาตัวใจย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้หละที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดท่นี่ตัวนี้เป็นตัวการตัวนี้เป็นตัวให้ความสำคัญในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจึงสำคัญขึ้นอย่างมากจนจนท่วมทับใจของเรา จนลุ่มห ล, มลงมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นแต่ตามไม่จริงสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เนื้อใช่หนางมันไม่ใช่ตัวของเราเลยเมื่อเอาธรรมะเข้ามาเปรียบเทียบออกมาเออเป็นเครื่องวัดแล้วใจของเราก็จะรู้ตาของเราก็จะสว่างเหมือนกันตาของใจจะสว่างมองเห็นเพราะว่าได้ทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกระจก เรือ ว, ว่าเป็นไฟฉายส่องดูในสิ่งเหล่านั้นใจของเราจะรู้ได้ใก็ทำใจให้รู้เท่ารู้ทันทำใจให้ปล่อยวางทำใจให้ว่าง เ, าเมื่อว่างไม่ยึดมัน่นไม่ถือมัน่นรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรก็รู้ใจอีกใจนั้นคืออะไร ท่า น, านั่นปล่อยวางอยู่ที่ใจเรื่องทั้งหลายอยู่ที่ใจทั้งหมดท่ใจนั่คืออะไรมันยิบยับมันคิดขึ้นมาความเศร้าหมองความผ่องใสความดีอกความดีใจความเสียใจมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราทั้งหมดเพราะนั้นสิ่งทั้งสองเงื่อนเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนยังเป็นอนิจจังอยู่ ก็ไปควรจะไว้ใจในสิ่งที่เป็นอนิจจังปล่อยวางกระทั้งกระทั้งที่ผมดีใจและเสียใจทําใจปล่อยวางทั้งหมดไม่ดีใจไม่เสียใจปล่อยให้ว่างทั้งหมดสิ่งทั้งสองเงื่อนคือเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราใจอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนของเราปล่อยวางกระทั่งใจเพางั้นเถอะ ไม่ใช่ปล่อยวางแต่ภายนอกเฉยๆเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยปล่อยวางกระทั่งหัวใจตัวเองปล่อยวางกระทั่งความคิดของตัวเองเออความคิดนี่ก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่แหละในเมื่อปล่อยวางขนาดนั้นเราได้อะไรได้ความบริสุทธิ์ได้ความที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นความไม่ยึดมั่นถือมั่นความปล่อยวางนั่นแหละเป็น สิ่งที่ทนต่อการพิสุธิ์มันจะมีทรรมขึ้นมาอีกคือความบริสุทธินั่นแ่ะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีสิ่งไหนที่จะมารบ ก, กวนธรรมะขั้นนั้นได้เพราะเราปล่อยวางแล้วรู้เท่ารู้ทันหมดแล้วอันนี้แล้วว่าธรรมะสิ่งที่ประเสริฐเกิดมาจากสิ่งที่ไม่ประเสริฐทองคำ เกิดมาจากดินก้อนขวดก็เกิดมาจากดินเหมือนกันสิ่งทั้งหลายมาจากดินเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละความโง่ความฉลาดมันออกมาจากใจเหมือนกันความโงกออกมาาม่ออกมาจากใจความฉลาดออกมาจากใจแต่ที่นี้เมื่อเราพิจารณาการกรองไต่ตรองเหตุและผลแล้วเมื่อรู้เท่ารู้ทันและปล่อยวางแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นนะความฉลาดจะเกิดขึ้นมาจากตัวผู้รู้จากตัวใจนั่นแหละเทไง ปล่อยวางทั้งหมดจังว่าวนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีสิ่งใดที่มารบกวนตัวผู้รู้รบกวนหัวใจตรงนั้นได้อีกแล้วพอรู้เท่ารู้ทันแล้วเหมือนเราเรียนหนังสือนะแต่ก่อนเราไม่รู้พอเรารู้กอไก่ข้อไขข้อขวดไอความโง่ทั้งหลายมันก็ตกไปเพราะเรารู้แล้ววะเราเรียนรู้ละกอไก่ขอไขข้อขอวดขอควายจากนั้นก็ ผสมสระอ่านออกเขียนได้ขึ้นมาความโง่ก็หายเป็นตามลำดับลาดับอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราแต่ก่อนเราไม่ได้คิดเราไม่ได้พิจารณามันก็ลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นกับสิ่งภายนอกแต่พอมาพิจารณาดูแล้วเราปล่อยวางเข้ามาสู่จิตใจแล้วนั่นแหละใจของเราก็ฉลาดขึ้นเรื่อยรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นเรื่อยปล่อยวางเรื่อยๆจนถึงที่สุดนะ เออทั้งดีทั้งชั่วปล่อยวางหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นเออปล่อยวางวางว่างที่ใจจากนั้นก็เป็นบรมสุขท่านน่ะอสิ่งไหนทนต่อการพิสูจน์พิสูจน์ออกไปแล้วน่ะแหละความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นมาในจุดนั้นนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีสิ่งไหนรบกวนกิเลสราคะโทสะโมหะหลุดออกไปหมดแล้วมีแต่ความบริสุทธิ์ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราไม่เกิดอีกแล้วสิ่งที่พาให้เราวกวนเวียนมาเกิดนะั่นคือก oh ิเลสราคะโทสะโมหะบัดนี้เราชำระกิเลสราคะโทสะโมหะหมดแล้วนะเราไม่มาเกิดอีกแล้วนะเราก็จะได้ประกาศและพูดได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะธรรมะปฏิบัตินี้มีที่สิ้นสุดตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า ท่านให้ภาวนาเนี่ยให้ดูกายอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ทานศิลทานก็คือการเป็นอยู่ถ้าหว่าพวกเราไม่มีทานไม่มีฐาน ะ, ไ ม, มาะไม่มีการเสียสละไม่มีการเสียสละพวกเราเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่ได้เสียสละพวกเราจะอยู่ได้อย่างไรเนี่เมื่อเราเกิดมาพ่อแม่ก็เสียสละให้เราเราก่อน เติบใจขึ้นมากับเพราะพ่ อ, พอแม่เป็นผู้เสียสละจากนั้นชุมชนสังคมโลกต่อโลกช่วยการเสียสละเกื้อกูลหนุนกันอันนี้คือฐานะศีลก็คือรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยจากนั้นก็ภาวนาเถอะดูใจเถออย่างที่ว่าเนี่ยดูใจเถอะที่จะหลุดพ้นจริงๆให้ดูใจนะที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่ดูที่อื่นดูใจ การเคลื่อนไหวของใจกิเลสอยู่ในใจเหมือนกับสนิมนะ่ะมันเกิดจากเหล็กกิเลสเนะ่ะมันเกิดจากใจใจมันมันมีสนิมอยู่เพราะฉะนั้นชำระสนิมออกให้หมดให้มันเป็นสเตนเลสมังั้นเถ อ, อะสเตนเลสไม่ใช่เสเตนเลสธรรมดาเนะีสตนเลสธรรมดาเนะี่ยมันยังมีสนิมอยู่ยังมีเชื้ออยู่ความบริสุทธิ์ของใจยิ่งกว่าสเตนเลสอีกมังนั้นเถอะ เนี่ยไม่มีสนิมเลยเป็นสเตนเลสร้อยเปอร์เซ็นมั้งกันไอออาจจะกว่านั้นก็ได้พวั้นให้พวกเราํำละนะให้ดูให้ดีนะสรุปแล้วก็คือให้ดูให้ดีมันเป็นมาตั้งแต่นู้นแหลอไล่มาตามลำดับแต่เราจะพิจารณาถึงใจทีเดียวเลยมันก็ได้พวกคิปปิญญารู้ได้เร็วนะ แต่ถ้าว่าทรานทาปิญาเนี่ยมันต้องมาตามขั้นตอนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาตามขั้นตอนมาเรื่อยๆอวายเออไหปลอยนั้นวางนี้พิจารณานั้นพิจารณานี้พิจารณาธาตุขันธ์พิจารณาร่างกายพิจารณาธาตุสีพิจารณาอสุภะเออร่างกายเป็นอะไรบ้างรู้เห็นเป็นลำดับลำดับขึ้นมาแล้วใครเป็นผู้พิจารณาใครเป็นผู้รับรู้รับทราบในสิ่งเหล่านั้นมันก็เข้ามาหาใจท่น้ ในเมื่อมาหาใจใจของเราเอา๋มันมีอะไรบ้างอยู่ในใจของเราเอามันมีราคะ เ, าเห็นสิ่งที่พอใจก็เป็นราคะขึ้นมาเห็นสิ่งที่ไม่พอใจกับเป็นโทสะขึ้นมาอทั้งสองเงื่อนก็นคือโมหะเป็นเจ้าของ เ, อเป็นเจ้ากี้เป็นเจ้าการโมหะคือความหลงสก่อนเมื่อจังรักหลงเมืม่อจังโกรธหลงเมื่อจังโลภเพราะฉะนั้นหลงมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเอนี่แหละ ความหลงมันอยู่ที่ใจจะทำยังไงจึงจะไม่หลงกับพิจารณาเข้าไปตัววิชานะ่ะคืออยู่ในใจอวิชาปัจจญาสร้างฆากรานะ์ตัววิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารนนะเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงใช้ถัธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเนะจอเข้าไปที่ใจดูที่ใจปล่อยวางที่ใจ หลุดพ้นที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนี่แหละธรรมะขั้นสูงสุดเราจะไปหาที่อื่นหาไม่เจอนะหาที่ใจนะดิ่งเข้ามาหาจุดนี้เลยแต่สิ่งเหล่านั้นเราต้องเป็นหินรับปัญญาต้องรับไปอยู่เสมอพอรับเข้ามาแล้วก็ดิ่งเข้ามาหาใจเสือนกันตรงเนีนะ้มีสติตัวตรงนี้เสือนกันอพอเสือนที่นี่มันไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเป็นนักมวยบแบบตามให้กระพริบเนืองนั้น อพิจารณ า, นาดูจุดนี้ให้ดีนะดูให้ดีจุดนี้ดูที่ใจนะั่นปล่อยวางที่ใจตัวใจเนะี่น่ะมันจะรุ่มหลงมัวเมาเอถ้ามันจะหลงก็หลงตรงนี้แหละถ้ามันจะเห็นโทษก็เห็นตรงนี้แหละมันจะปล่อยวางกับปล่อยวางตรงนี้แหละอถ้าบุญบา ร, รมีของเราแก่กล้าเพียงพอที่เราได้สั่งสมอบรมมาดีแล้วบุญกุศลทั้งหลายก็จะวิ่งเข้ามาช่วย เราก็จะตัดภพตัดชาติไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารเป็นอนันตาการนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดธรรมะเป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายนะตั้งแต่เรื่องต้นนั่นะนะนะนะการเป็นอยู่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาแต่ผลที่สสุกรมาเน้นหนักเรื่องภาวนาเพราะพวกเราเป็นคนวงในเข้ามาแล้วนะควรจะศึกษาเรื่องจติตตภาวนาเนี่ย เป็นสิ่งที่จำเป็นสําคัญสิ่งภายนอกเราก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยเราก็ทำนะอันนี้เป็นกระพี้เป็นเปลือกนะถ้าพวกเราเนี่ยน่าจะเข้ามาหาแก่นแล้วถ้าเป็นต้นไม้ก็มันอยู่ในกระถางพวกเราควรจะเอาลงดินได้แล้วว่างั้นควรจะเอาลงดินได้แล้วไม่ควรจะอยู่ในกระถางถ้าเป็นอยู่ในกระถางกบเป็นต้นไม้เบบีอย่างนั้นมันไม่โตไม้อยู่ในกระถาง ถึงจะเป็นไม้ต้นใหญ่ขนาดไหนก็เถอะถ้าอยู่ในกระถางมันก็เป็นลังอยู่อย่างนั้นถ้าเอาลงใส่ดินเข้าไปใส่น้ําใส่ปุ๋ยเข้าไปมันก็จะงอกเงยใหญขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละแต่พวกเรามีแต่ให้ทานรักษาศีลอยู่เปลือกเปือกอยู่นอกๆมันก็ดีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพระเนนเป็นผู้ยินดีในการทําบุญทําทานแต่ถ้าว่าพวกเราหันเข้ามาหาจิตตภาวนานดูใจของตนเองเนี่ย นี่แหละเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจา้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนถ้าว่าผู้ที่เข้ามาถึงจุดนี้แล้วมันหนักแน่นกว่ากาันมากนะแต่มันเชื่อมัน่นมันหนักแน่นนะเอามันถอนไม่ขึ้นเลยล่ะใครจะพูดอย่างไงนะไม่หวัน่นไม่ไหวละ่ะคนจะพูดอย่างนั้นดวงดาวไปเนี้ยดวงเดือนไปนี่ลาบไปอย่างงั้นรวยไปอย่างนี้คนนั้นเดีร้อยล้านคนนี้เดีพันล้านมันฟังฟังหรือกัฟังฟังไปอย่างนั้นน่ะ แต่ส่วนลึกของหัวใจแล้วถึงจะมีเท่าไหร่เอาไปด้วยไม่ได้นะมันวางอยู่ที่ใจมันรู้อยู่ที่ใจอันนี้ปัจจัยเหล่านั้นเราก็ไม่ได้ประมาทแต่ว่ามันเป็นปัจจัยอาศัยชั่วข้าวอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องตอปล่อยทิ้งทั้งหมดนะในใจของเราส่วนลึกแล้วมันจะรู้ได้ถ้าผู้ปฏิบรรัติทำไม่หลงเพราะงั้นนะไม่หลงไม่ยึดติดแต่ก็ไม่ได้ประมาทในสิ่งเหล่านั้น ให้โลกรู้หมดอันนั้นคือพระสูตรนะอันนั้นคือพระวินัยนะเอ่อเราก็รู้แต่ส่วนลึกอันนี้คือพระประมาทนะในใจของเราเราก็รู้เออเมื่อทากับโลกสมมติเราควรจะเรียกยังไงเราควรจะประสานยังไงเราก็รู้เออแต่มาสิจใจเมื่อประสานอะไรไม่ได้เออสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอนิจจังของไม่เถียนเราจะไปคิดอะไรมากมายนักนะทิ้งมันก็ได้ในใจ เพราะนั้นมันรู้ทั้งข้างนอกมันรู้ทั้งข้างในเออมันรู้ทั้งสองเงื่อนเลยเพราะงั้น ถ, ถ้าผู้ปฏิบัติทำเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆกท่านนะที่หลวงพ่อได้กล่าวมาเป็นแนวภาคปฏิบัติเป็นแนวความคิดขอให้ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติ ป, ปฏิบัติชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างที่กล่าวมานะั้นตายแล้วอย่างทิวานนะัะ ตัวไหนตายตัวไหนเกิดมาถึงจุดนี้แล้วไม่ต้องพูดว่าตายและศูนย์ตายและเกิดอั น, นั้นมันเปลือกนอกเหลือเกินเ อ, อถ้ามาถึงจุดนี้แล้วมันรู้ได้ด้วยตนเองทั้งนั้นแหละพาภานปฏิบัติแล้วเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิชัออกช่วระยะหนึ่งแล้วค่อยเลิกลากันนะ